Book 2 93 3้าอนุประโยคใช้เชื่อมไบเซเนเ e ทอฟฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่เอกเ e ีย f นีอฟไฮมล ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ Agvietni off ให้ตรึกกลมนฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ g e t n i o f i ให้ไม่เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ o f hitai l i เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้อฟกูมไฮตรเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้โอฟซอยไม่ bell ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมแอควอนเดอร์โอฟไฮออนไดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม อ wonder of ร i ของใครอีนทดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกเอกวุ่นเดขเขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าของตึงใครไหมเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า of h เตัยอ เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ Oflicher, my? ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ Actueller of my from y h o u e ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ a c t u w l f e l of my f r m y h a n s c r y v ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่เขาจะชอบฉันจริงจังไหม van เขาจะเขียนมาหาฉันไหมเขาจะแต่งงานกับฉันไหม of gaan h ปแต่งงานก u บ